ขอกราบสบวัสดีท่านผู้รฟังรายการเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยสิบทุมท่านครับวันนี้วันจันทร์ที่26กุมภาพันธ์พุทธศักราช2550รายการเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยสิบทุมุจะเป็นรายการสดครับโดยมีกระผมผู้ช่วยศาสตราจารย์กิติภูมิมีประดิษฐ์ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยสิบทุตุเป็นผู้ดำเนินรายการครับเช่นใครครับทุวันจันทร์เป็นการตอบปัญหาธรรมะสดครับโดยทางรายการกลาวพัฒนาพระเดชพระคุณพระเทพดีหลก ไว้ประวัติวิษหายพิธีกรตอบปัญหาธรรมะครับหมายเโทรศัพท์ของทางรายการคือ022413315 022413315 ขนานี้ก็ลงรงรับตัวสายื่อสอบถางปัญหาธรรมะเข้ามานะครับเชิญทุกสายสอบถางปัญหาธรรมะเข้ามาได้เลยนะครับ อ, อประเด็นแรกครับทุกคุณอาจารย์ครับเนื่องจากใกล้วันมาค้าบูชาประชาชนชาวไทยในฐ า, า, านะุท้ศาสังคมชนควรทําตัวอย่างไรแล้วก็ทําบุญอย่างไรบ้างครับในวันมาค้าบูชาครับอาจารย์ครับผ่อปีนี้รู้สึกว่าทางราชการจะสนับสนุนจัดงานใหญ่ครับเมื่อวันก่อนก็มีการประชุมกันที่ทําเนียบ<ม>ก็ทางที่ดีก็คือพยายามยังไงล่ะ พยายามงดเบ้นบาปทำบุญทำความดีมากๆพยายามทําจิตใจให้สงบเพราะว่าสื่อสารต่างๆเวลนนี้อ่านแล้วก็เครียดนะครับก็พยายามทําใจให้สงบเอาไว้ <laughs> เพราะว่าเป็นสมบัติเป็นคุณภาพของจิตเราเอง <laughs> ส่วนเรื่องคนอื่นก็อย่ายุ่งกูมากๆนะเอาฝากครับคุณยุคนจะขับสายแรกมารออยู่ครับสวัสดีครับแฟนๆ ก, กันครับ สวัสดีครับครับสาัสด้เลยครับคือผมจะมาทานสินทาครับครับรบกวนพูดดังๆนิดนึงสายค่อยมากเลยครับคืออยากจะถามว่าการสมาทานสินทาเนี่ยจะสมาทานก่อนสวดมนต์หรือหลังสวดมนต์ครับผมครับผม มีข้อเดียวนะครับครับแล้วฟังทางวิทยุนะครับ ก, กับการสมัตาสินห้ากอดส ม, มนุมสนลงสนคื อ, คอคที่จริงมันศีลไม่ต้องส ม, มนาทานก่อนนะนะ ค, คือคือที่จริงมันคนจะรักษาเป็นปกติเพราะศีลแปลว่าปกติแต่ว่าถ้าถ้ายังไม่สมาทานก็ที่ฐานจิตเรวก็ได้นะฮะไม่จําเป็นจะต้องสมาทานจากใค ร, ครแล้วก็สวดมนต์เพื่อทําจิตใจสงบขอบคุณครับศูนย์สองสองสี่หนึ่งสามสามหนึ่งห้านะครับ รอรถทุกสายเพื่อสอบถามปัญหาถรรมาเข้ามาครับที่คุณนะครับตอนนี้กระแสรเรื่องจารุษคำหลาประเทศนี้ทุกวันในในวิทยุและในสื่อสารมวลชนประเภทหนังสือพิมพ์มาะละวที่คุณนะครับตอนนี้ในเรื่องนี้จี่คุะจะมีความเห็นยังไงครับเป็่อนเพื่อครับก็มันมันเป็นกระแสนะฮะคือเราก็พูดยากแต่ละคนก็มีประสบการณ์ตรงของเขาครับแล้วว่ากันตามความจริงพระพุทธาสนาเองก็ไม่ได้ปฏิเสธอะไรครับก็ นะก็เรียกว่าเทวเทวตาบาลีก็คือการก็เทวตานุสติก็มีนะฮะคือคือคำสอนที่เกี่ยวกับเทวดาของเรามีเยอะไปคแล้วก็คนที่ที่เขาเคารพนับถือครับแล้วเคยสอบถามวันวันนี้ก็ยังมีคนมาเล่าฟังครับว่าดีท่านรองอธิบดีคนหนึ่งท่านนับถือมากครับแล้วก็เขาบอกอธิษฐานอะไรแล้วเขาก็ได้ตามที่ต้องการ บาคนก็เป็นเป็นเป็นกระแสคือคือเป็นสมบัติตรงเฉพาะคนเฉพาะคด ค, คือคือบางทีมันมันเป็นอาการยึดโยงของจิตคือหมายความว่าเราอยากได้อย่างนี้พอดีมันได้ก็คิดว่าเพราะได้เพราะสิ่งนี้ครนะตราบใดที่การผูกโยงอย่างนี้ยังไม่หายไปเนี่ยมันก็เขาก็ต้องนับถือแต่ว่าอย่าลืมว่ามันเป็นเหตุให้เขาทําความดี เรือมามาทไม่คยติดใจในรูปแบบนะฮะทายัางไง้คนทำความดีกันแลกันะเพราะว่าความดีมันก็เป็นบันไดขึ้นไปเรื่อยๆนะ ค, คือเราจะเกณฑ์ให้อยู่ในระดับใดระดับหนึ่งคงไม่ได้มาเป็นคนไม่ร่วมในพิธีพุทธาพิเศษอะไรแต่ถ้าไปเยี่ยมทหารตำรวจมาก็หาไปไ่แจกคือไม่ได้ไม่ได้ยึดติดอะไรสำหรับตัวเองแต่ว่า ถ้าเยื่นทหารตมรวจเราก็รู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นขวัญเป็นกาลังใจของเขาเราสามารถแจกเขาได้เราก็แจกนะครับบางทีหาไว้ไปแจกเป็นพันๆเลยถ้าไปตามสาแดนอะไรต่อหร่ก็เราก็เอาไปนะฮะแต่ว่าเอามาเองไม่ไม่ร่วมต่อนั้นเองไม่ร่วมในพิธีบุกเสกอะไรต่างๆขอบคุณเชิญจัดมาครับสายที่สองครับสวัสดีครับ ครับวันนี้ครับผมผมมีปัญหาอยากจะถามตักงหนึ่งข้อนะครับครับผมรบกวนผู้ดำเนินที่ดึงสายค่อยครับครับผมมีปัญหาอยากจะถามตักงหนึ่งข้อนะครับครับเชิญเลยครับคือว่าถ้ามีใครสักคนหนึ่งนะฮะได้อันเชิญอันเชิญศาสนาหลักๆในประเทศไทยนะครับครับมาโต้วาทีในท้องสนามหลวงแล้วเอาคําสอนในภาษาสระคงแต่ละค น, น ะ, คะมาโพสให ผู้ฟังได้เกิดความเข้าใจแล้วมีการลงมติกันถ้าศาสนาอะไรมีชังมากแล้ว่าเอาเอาศาสนานั้นเป็นศาสนาประจำชาติสมมติครับ ส, รสมมติใช่ไหมฮะคือว่าอยากจะให้เอาเอาศาสนาหลักๆะครับอ๋อครับผม ถือว่าไปไปเทษาเท่าวัดเที่ยวท้องสนามเดี๋ยวเอารับฟังตางวิทยุได้ไหมครับผมได้ครับครับผมขอบคุครับผมทำไม่ได้เราโยมคือมันเกิดความขัดแย้งฮะครับผมคือที่จริงเรื่องศาสนาเนี่ยเมื่อเราเรียนศาสนาเปรียบเทียบเราก็ดูออกครับแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับศรัทธาของแต่ละคนในเรื่องศาสนาเราต้องเคารพศรัทธาของศาสนิกในศาสนานั้นๆครับ ว่าเป็นศรัทธาที่ถูกต้องสมัครเผาครับจึงไม่จําเป็นจะต้องถูกต้องสําหรับเรารวันศาสนาจึงไม่ใช่เรื่องมาตกเฉียงกันครับนะตกตกเฉียงกันก็นําไปสู่การทะเลาะวิวาสครับทีนี้เราเว้นไว้แต่ในกรณีที่เขาโจมตีเราครับนะก็โจมตีประเด็นต่างๆอย่างที่อามาเกยเขียนแผนทําลายพุทธศาสนาเนี่ยครับเพราะว่ามันศาสนาหนึ่งก็โจมตีพระพุทธศาสนามาแล้วก็ชี้แจงเวรประเด็นประเด็นไปเฉพาะที่เขาโจมตีครับ แต่เราก็ไม่ได้โกรธเคืองอะไรคเขาคงร่วมกิจกรรมกันโดยปกตินะครับผมจัดรายการจักท่านจุกัญจันมาสี่ห้าปีนะไม่เห็นท่านจุกัญจันไปเคยว่าศาสนาอื่นเลยครับคือไม่ล่ะคือคือกลือมาเป็นเป็นมิตรกับคนทุกศาสนาครับผมแล้วก็พุทธศาสนาเองเอะมาก็เป็นมิตรกับทุกนิกายครับแก็ก็ไม่ได้รู้สึกพิเศษอะไรครับอย <c oughs> <ๆ>่างวันวันวันก่อนที่ไปงานศพจมพลถนอมก็เจอกันหลายพวกก็ เขาก็ดีอกดีใจก็ยกมือไหว้คุยกันครับหลายฝากหลายฝ่ายมีทั้งเมืองนอกเมืองนาอะไรอะไรมากันเยอะครับฝครับขอบคุณไม่วากเลยขอบคุณเจ้าจริงเจ้ากุญแจครับสายที่สามครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสอบถามได้เลยครับคือทางภูพันนะครับไม่ได้สอบถามนะครับคือรับไม่ได้นะครับวอต่างอาจารย์สันชัยพูดนะครับครับผฟังรู้เรื่องอยู่ครับครับผมับสพอถึงชั่นอ่า อะไรกันแพร่ไปหลอกนะครับยุ่ยเลหมดเลยครับอ๋อสัญญาณแทรกใช่ไหมครับครับมนฟเอาจารย์ท่านทุกท่านฟังอยู่ที่อำเภออะไรบริเวณบอกได้ไหมครับจะได้บอกทางสถานีครับอำเสมชุกครับอำเภอสามชุกจังหวัดปัตตานีครับครับผมเนบ่อยมากเลยครับทุกวันทุกทช่วงช่วงนี้ครับเป็นเลยครับเมื่อกี้ยังทับอยู่ครับตอนที่ท่านท่นประเทศไปหอกนะครับเป็มเลยครับได้ครับขอบพคุณมากเลยนะครับที่แจ้งเป็นกันและฟังมานะครับครับผมก็ ก็วันนี้มาก็ไปที่ที่อู่ทองฮะแล้วก็ให้เปิดเทสดูหลายสถานีระโกนปตอชักเพื่อนครับผมก็ยังไงไม่ทราบนะฮะอาจจะเป็นช่วงเวลาทึ่คนรบกวนอะไรหรือเปล่าครับผมก็ทางเราจะได้เรียนไปทางกปงบัรปตอนะครับที่เปเดสามชุกครับผมไม่ชัดเวลา 21-22 รายการดีแฟนรายการจะากฟังที่ผมสายที่สี่มารออยู่ครับสวัสดีครับรายการครับสวัสดีครับครับผม รัชการลงพ่อสวัสดีทูลเมรกานครับครับผมขอถามปัญหาทัสองข้อครับครับผมเชิญเชิญสอบถามได้เลยครับครับเขาคิดจะโกดเนี่ยมันยังมีอยู่เปล่าครับแล้วก็ยังถ้ามีอยู่ก็อยู่ประเทศอะไรครับครับผมข้อสองเลยนะครับขอข้อสองเลยนะครับข้อที่สองเออ ต้นมักะลีผลเนี่ยมันมีจริงหรครับมัคคีผลนะครับตอบแค่นี้ครับครับแล้ฟังจากพี่ชิวนะครับครับครับคุณครับภูเขาคิจกูเดือนนี้ก็ยังมีอยู่นะฮะอยู่ในรัฐพิหารก็คือกรุงรัฐจักครึกเดิมนั่นแหละก็ภูเขามันไม่หายไปไหนละมักคลีผลเป็นตำนานนะฮะเป็นตำนานเป็นเป็นเทสนิยายในป่าอิมาพาน ก็เรียกว่าเรื่องสัตว์โลกหิมพานก็คุยกันไปคุยกันมา ก, ก็ก็ยังจับประเด็นไม่ค่อยได้นะฮะที่นํามาแสดงตัวอมก็เล็กนิดเดียวนะฮะคล้ายๆกับตุ๊กตาแต่ว่าวันก่อนไปที่เมืองการก็ปรากฏว่ามีวางขายกันเกินก็เป็นเป็นพืชชนิดหนึ่งครับเป็นพืชชนิดหนึ่งแต่ว่าแต่ว่าที่ที่เราอ่านหนังสือนี่มันตัวเหมือนคนน่ะออตัวเหมือนคนตัวมันใหญ่ครับ แ, แสดงว่าไอ้ตัวจริงๆเนะ่ะไม่มีหรอก แต่มันเป็นเรื่องความเชื่อของของคนคือไปคิดไปอันค่าใจมันน่าจะจินตนาการมากกว่าฝันครับมันเป็นเรื่องเป็นจริงเป็นจังไปครับผมกลับไปคุยทุกอย่างครับสายที่ห้ามารออยู่ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับสอบถามได้เลยครับครับกลับไปเออขอบคุณเจ้านะครับจะถามว่าเออตอนนี้คุณแม่ผมไม่สบายนะครับตอนนี้ซื้อเทสมะเป็นพวก ธรรมจักรกับพระสูตรเนี่ยคนฟังเนี่ยไม่ทราบจะได้กุศลอะไรบ้างครับครับผมแล้วข้อที่สองนะฮะคือถ้าเป็นส่วนใหญเทธรรมะเนี่ยเป็นภาษาบาลีใช่ไหมครับคนฟังนี่แบบไม่เข้าใจจะได้กุศลอะไรด้วยหรือเปล่าครับอ๋อครับผมครับผมแล้วฟังคำพิธนะครับขอบคุณครับคือพระสูตรที่เกี่ยวกับภาษาบาลีเนี่ยคนฟังจะต้องมีพื้นฐานเดิมอยู่ก่อน จต้องมีศรัทธาในศาสนาอยู่ฟังแล้วจิตมันไปจับอยู่ที่เสียงจิตมันก็สงบเป็นสมาธินะจิตก็ผ่องใสครับทีนี้ถ้าหากว่าต้องการที่จะเป็นคำบรรยายนันก็ไม่เยอะมากนะเวลานี้ก้องก้อนตมามีเป็นพันนะมีเป็นพันเรื่องวันนี้เ้าไปทำอะไรเ้าทำเป็นซีดีจังห้าร้อยเรื่องเนเขาทำเหลือซีดีสามแผน่นห้ารอยชั่วโมง ก็ทำเลยสามแผ่นเป็นเอ็มพีสามกันด้วยนครับโอ้โหเกินเอ็มพสาเครับเขาเรียกว่าเรียกวซีดีอะไรอ่อวีซีดีเขาเรียกว่าวีซดีนะครับครับแฝงกาวก็มีเยอะนะฮะเยอะฝรั่งก็ก็ได้บุญแน่นอนอยู่แล้วนะฮะราะบุญแปลว่าความสุขนะครับแล้วเมื่อจิตสงบมันก็เป็นเป็นความสุขอยู่แล้วครับขอบคุณครับ รายการท่า น, นี้สั้นสักครู่นี้ที่โทรมานะครับถ้าอยากได้ซีดีนะครับไปให้คุณแม่ฟังนะครับออพอดีที่รายการยังมีอยู่นะครับซีดีสวดพระปริทนะครับซึ่งทำแจกเนื่องในโอกาส คล้ายวันเกิดของท่านพลเ็กเสรีพุกมาร์นะครับทางของผมยังมีอยู่นะครับก็ยินดีนะครับเป็นธรรมบรรดาการให้แก่ท่านนะครับเพื่อจะให้คุณแม่ฟังนะครับก็เป็นบทสวดพระประิท์อย่างดีเลยนะครับแล้วก็ตอนท้ายนี้ก็มีการบรรยายธรรมโดยพระเดชพรุณท่านเจ้าคุณอาจารย์ของเรานะครับพระเดพพิลลกและบรรยายไว้นะครับเราแจกไปรายการไว้ตั้งนานแล้วแต่ยังผมยังเหลืออยู่นะครับก็รายการถ้าอยากได้ก็จดหมายมาได้นะครับหรือโทรมาก็ได้นะครับพรุ่งนี้ครับศูนย์สอง ห้าเจ็ดเก้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งแล้วก็ต่อสองสองหนึ่งเจ็ดนะครับศูนย์สองห้าเจ็ดเก้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งต่อสองสอหนึ่งเจ็ดนะครับบอกว่าเป็นแฟนาการที่จะขอสิรธรรมมาไปให้คุณแม่ฟังนะครับเราจะจส่งไปธ ร, รรมบรนาการให้นะครับจากท่าพนพลเอกเสรีพุทมารครับขอสายที่หกนะครับสวัสดีครับแฟนาการครับสวัสดีค่ะคุณเจ้าค่ะ แล้วก็อ่าสวัสดีท่านวิทยกรเจ้าค่ะครับสวัสดีครับ อ, อย่างนี้ค่ะมื่กี้ท่านเจะ พ, พูดว่าแบบว่าไงฮเราก็เกรงใจเกรงใจเขานะคะ ทำไมเขาไม่เต็มใจแล้วนะค่ะท่านทุกคุณแล้วทีมันทําใจไม่ได้นะเจ้าค่ะนะครับผมย่งเช่นที่ไปไหนเนี่ยศาสนาอื่นนะคะโดยเฉพาะอิสลามเนี่ยไปไหนก็ยกพระพุทธรูปแล้วออกอย่างเงี้ยแต่ของเขาเขาจะตั้งจะตั้งอย่างนี้นะเจ้าค่ะยกไปอย่างอย่างเงี้ยเจ้าค่ะครับได้ครับก็ไม่เต็มใจอะไรเลยเลยแล้วเราจะทําใจยังไงถ้ามันทำบางทีมันทําไม่ได้นะค่ะก่อนการตั้ใจละบาศนะครับครับผมรับมาจยูกครับขอบคุณครับ อย่าไปใช้วิธีเอาโครนล้างโทนอยู่มันล้างไม่ได้หรอกแ <c oughs> ต่ล้างโคลนต้องล้างในน้ํา <c oughs> คือไม่ได้หมายความถ้าเขาทาไม่ดีแล้วเราจะต้องโต้ตอบด้วยการทําไม่ดี <c oughs> มันไม่ใช่พิธีการของพุทธที <c oughs> นี้แนวที่ว่าไปย้ายพระพุทธรูปอะไรต่ออะไรมันก็เป็นเป็นเรื่องคนบางคนแต่นั่นเองครับก็ก็ไม่ได้หมายความมาเป็นเรื่องทั่วไปครับ แต่การกันเป็นเป็นคนบางคนคนก็เราที่ที่ไม่ดีก็มีนะฮะคน<ถ>ในศาสนาไหนก็มีครับกริยาไปเหมาเป็นศาสนาคือคือเป็ น, นปพูดเรื่องเฉพาะคนน่ยก็ได้นะฮะแต่ว่าพูดเรื่องศาสนาคงคงไม่ถูกต้องขอบคุณขอบคุณ น, คะค น, ค น, นะครับก็อย่าเอาโคตล้างโคตนะครับที่อาจารย์บอกนะครับสายที่เจ็ดครับสวัสดีครับแฟนรายการครับสวัสดีครับคุณกับแฟนรายการครับครับผมรบกวนพูดดังๆนิดหนึ่งนะครับวันนี้สายค่อยมากเลยครับ เออยากถามปัหาแต่ครับครับผมอยากทราบว่าอพระพุทธเจ้าเป็นส่วนหนึ่งของพระพิพิธลุกใช่ไหมครับครับลูกเออลูกควรพูดดัอย่างนี้นะครับสายค่อยครับเออยากทราบว่าเอพระพุทธเจ้าเป็นส่วนหนึ่งของพระพิพิธลุกใช่ไหมครับออพระพุทธเจ้าเป็นส่วนหนึ่งของใครนะครับพระพิพณุครับพระพิพิธุกนะครับครับอ๋อแล้วฝากทำยุดได้ไหมครับ ครับคุณนะครับครับผมสายคลอยมากนะครับผมคือคือไม่หรอไม่ไม่เกี่ยวกันเลยนะะแต่ว่าสมัยสังกราจานะฮะสังกราจานเนี่ยเขาเขาก็พยายามที่จะให้พระพุทธเจ้าเราเป็นเป็นอวตารปางหนึ่งของพระวิษณุพระวิษณุนะฮะของพระนารายนะฮะของพระนารายก็เขาเรียกพุทธาวตารนั้นเป็นเรื่องของเขานะฮะเขาเขาพยายามจะ จะเอาเราให้เล็กกว่าเขานะฮะที่จริงเ ร, เราพุทธเจ้าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเพราะเทวดาเหล่านั้นที่จริงมีลูกศิษย์เราพุทธเจ้าเดี๋ยวมันเป็นการต่อสู้กันในกระแสะของสังคมอารยันรุยนกยกก่อนนะฮะเขก็ต่อสู้กันมาอย่างนั้นแหละ ค, ค, คือว่าพวกแนวแนวรับถือพระเจ้าในส่วนใหญ่จะให้คนเกิดที่หลังให้เป็นพ่อของคนเกิดก่อน เป็นเป็นังผมใชฮคือคือลักษณะเขาจะเป็นอย่างนั้นกระลาผมเอาไปเราเป็นเรื่องความเชื่อของเขาแต่ว่ามันประวัติศาสตร์ไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยนะฮะครับลาผบขอบคุณเชิญอาจารย์ครับสายที่แปดครับสวัสดีครับเอ่อคนในสายหุดไปนะครับโทรเข้ามาใหม่นะครับศูนย์สองสองสี่หนึ่งสามสามหนึ่งห้าะครับขณะนี้สายแน่นมากครับสายที่แปดครับสวัสดีครับพนักงานครับการกานขอบพระคุณเจ้าอขอ เป็นคือคุณาวิธีการนความโกรธวยรวพพรรครับข อ, อ, อังโทษนะครับขออีกครั้งนึงครับสายค่อยมากเลยครับวิธีชนะความโกรธครับแล้วฟังทางวิชูนะครับขอบคุณครับคือเรื่องความโกรธเนี่ยมันปัญหาสําคัญว่าถ้าเขาทําไม่ดีกับเราแล้วเราโกรธก็แสดงว่าเราก็ลดตัวลงไปไม่ดีกับเขาครับนะะโยมคงจําเพลงโลกไอโครงโลกกนิตได้นะฮะ ของโลกกัิติเขาว่าหมาใดตัวร้ายขบบาทายาขบตอบต่อหมาอย่าขึ้นทราชนชาติชั่วทารุณโทษอยา่ยาโกรธอย่าหน้าบึง้ง อ, อย่าตอบท่อยอย่าถือความอภัยเขาอดทนเอาคือเราไม่ใช้วิธีการเอาโครล้างโครลอย่างที่ว่านะ <c oughs> คือหมายความเราก็ต้องน้ําไปล้างโครลไม่งั้นมันมั น, ม, นมันจะเบื่อเงินใหญ่ครับวิธีการที่ที่ถูกต้องเนี่ยก็ <c oughs> เอาสิ่งที่สะอาดไปล้างสิ่งที่ไม่สะอาดเราอย่าใช้วิธีเดียวกันถ้าด่าไปด่ามาด่ามาด่าไปแล้วไม่มีที่ตื้นตูดแล้วครับที่รู้จักโลภโทสะโมหะอันไหนอันตรายที่สุดในทางังศาสนาคือโมหะมันอันตรายที่สุดโมหะนะครับโทษมากแล้วก็คลายได้ช้ารองลงมาก็โทสะครับผมโลภาน้อยนะฮะโทษมีมีโทษน้อยแต่คลายช้าแต่นั่นเองอ๋อโทษน้อยจะคลายเพรอาจารย์เราสังเกตว่าคนที่ทําอะไรด้วยความโลภไม่แดงหรอก เราะว่แกแก่กลัวของนั่นจะแตกนครับครับผมขอบคุณทุกท่านครับสายที่9ครับสวัสดีครับครับมมีปัญหาเยอะทางครับครับเชิญสถานได้เลยครับการถือหุ้าอย่างคือครับนี้ถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ต่างครับครับผมแล้วฟังทางวิทยุนะครับครับผมครับแล้วฟังทางวิทยุนะครับครับครับขอบคุณมากเลยครับ คือศีลห้าถ้าเคร่งครัดจริงๆก็โอไม่ใช่เล่นนะฮะโยมศีลห้าถ้าเราทําได้เคร่งครัดจริงๆก็ลึกซึ้งข้าวหายไปเลยนะฮะข้าวหายไปเป็นเป็นเป็ น, ป น, ปนสมาธิเป็นฌานคือคนที่ทําศีลห้าได้เคร่งครัดจริงๆเป็นวสุระบันน ะ, ะอย่าลืมะฮะเพราะว่าอศีลเนี่ยยกตัวอย่างมาศีลข้อที่หนึ่งเนี่ยมันจมถึงจุดหนึ่งมันต้องเป็นเมตตาจึงจะเป็นศีลห้าที่เคร่งครัดจริงๆแล้วศีลข้อที่สองเนี่ยเป็นสมาธิ สิมม่สข้อที่สามเนี่ยเป็นความสำรวมในทางเพศสิ่ข้อที่สี่นี่เป็นสัจจะสิ่ข้อที่ห้านี่เป็นสติโอปายลิฟ์เลยนะโอ้ครับผมอนครับเพราะนั้นมั น, ม, นมันพยายามรักษาอย่าให้ร่วงแล้วเมิดบ่อยๆ ก, ก็ก็เป็นบุญแล้วนะฮะแต่ถ้าทาได้เคร่งครัด ก, ก็ขอโมทนาแหละว่าจริงๆมันมั น, ม, นมันเป็นการยกระดับจิตขึ้นเหนืออารมณ์โลกโเพราะอย่าลืมมามีสติกับเมตตา เมตตาเนี่ยมันมีความรู้สึกมุ่งดีปรารถนาดีต่อคนครับทีนี้สติเนี่ยมันมันจะปิดกั้นกระแสของกิเลสกระแสของอารมณ์เอาไว้ฐานจิตมันจะเย็นนะฮะฐานจิตจะเย็นแล้วก็มีสติปกแผ่โอ้ยไปลิบเลยวะครับยังไงก็นะฮะที่อาจารย์สรุปไว้ดีมากเลยครับข้อที่หนึ่งจะนําไปสู่เมตตาข้อที่สองสู่สมมาชีเนี่ยข้อที่สามสู่การสารวจทางเพศข้อที่สี สู่สัจจะและข้อสอข้อที่ห้าสูตรเรื่องสตินะครับชัดเจนมากเลยนะครับสายที่สิบมารออยู่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมผมขอถามฮะวิญญาณนี่มีจริงไหมครับวิญญาณนะครับมีมีมีข้อเดียวนะครับครับครับผมขอบคุณมากเลยครับผมคือวิญญาณเนี่ยมันมีความหมายหลายความหมายนะฮะวิญญาณที่เรามีอยู่ทุกวันเนี่ยคือวินความรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนั่นก็คือวิญญาณประจำของเรา แล้ววิ ญ, ญญาณหนึ่งที่นำเรามาเกิดอย่างคลาเรียกไปเสุดที่วิญญาณวิญญาณหนึ่งเป็นความรู้ที่มีอยู่ภายในใจเราเนี่เรียกว่าวิญญาณธาตุนะฮะที่เรารับอารมณ์ในเราเรียกวิญญาณอาคารแล้วก็เวลาเราไปเกิดเนี่ยเขาเรียกวิญญาณทิติมันก็เรียกหลายเรื่องนะฮะเรียก<อ>เรียกหลายระดับแต่ที่โยมถามเนี่ยถามแนวแค่กับผีสางครับผีสางมันเขาไม่เรียกวิ ญ, ญญาณหรอกมันเป็นภาษาชาวบ้านเฉยๆแต่เขาเรียกว่าเป็นชีวิตเป็นโอปปาติกะโดยรวมๆเนี่ยครับ ก็ก็มีฮะก็มีอยู่ธรรมชาติทุงท้องศาสนาจะมีหรือไม่มีก็มีมาก่อนศาสนาเกก็มีอยู่ทุกคนทุกแห่งกงนนะฮะพวกพวกพวกหล่นเนี้ยแต่ว่ามันเรียกอาทิตย์สมานกายคือกายเขาจะไม่ปรากฏแก่ตาเนื้อเหมือนกับประเทศไทยเวลเนียภาพเสียงนี่มันเต็มไปหมดเลยแต่ว่าเราไม่เห็นเราไม่ได้ยินแต่พอเราตั้งดาวเทียมเราเปิดทีวีเราก็ได้เยอะเลยภาพเยอะเลย นะพอเปิดวิทยุจะเสียงเยอะเลยทั้งๆ ท, ที่ปกติเราก็ไม่ไม่ไม่เห็นไม่ได้ยินเนี่ยนะฮะเพราะว่าผู้อาธิษฐานในกายก็มีลักษณะอย่างนั้นเขาจะเห็นด้วยทิพปยปจกักษุกับทิพยโสตคคือได้ยินด้วยหูทิพแล้วก็ได้เห็นด้วยตาทิคคพครับแฟนรายการหลายท่านบอกว่าฟังเจ้าครูอาจารย์มาเป็นสิบสิปีนะฮะทำไมเจ้าครูอาจารย์เนี่ยไม่เคยเน้นเรื่องให้นับถือเพื่งผีสางใช่ไครับที่อาจารย์เน้นเรื่องพุทธหลักธรรมรัศดาเ ป, เป็นแก่นอะไรครับที่อาจารย์ S <S คือคือสมัครสมัครเด็กไปอย่างที่ว่านะาคือคือสมัครเด็กอย่างเล่นตุ๊กาตาเราเราก็ไม่ไระว่าอะไรเราก็ยินดีจะซื้อตุ๊กาตาให้ถ้าเรามีตงังค่นะคืออย่างไรเนี่ย อ, อย่าทําชั่วก็แล้วกันอย่าทําชั่วก็แล้วกันก็ตา ย, าายไตาย่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะก้าว<า>ขึ้นไป<า>ให้มันประนีตขึ้นครับ ก็พยายามเว้ครับขอบคุณที้กดจครับสายที่สิบเอ็ดมารออยู่ครับสวัสดีครับสวัสเดี๋ยก็พยาามทำามท่รอครับครับเชิญเลยครับในกรณีที่ผู้ใล้บังคับบัญชาไม่ค่อยเชื่อฟังเนี่ยไม่ทราบว่าเกิดจากสาเหตุอะไรและต้องแก้ได้อย่างไรคะับครับผมค่ะครับผมขอบพระคุณมากครับผู้ใต้บังคับบัญชาไม่เชื่อฟังมันปัญหาสำคัญเนี่ยคือบางครั้งเป็นนิสัยของเขา แต่บางครั้งเนี่ยมันเป็นการวางตัวของผู้บังคับบัญชาครับกิจลือมาผู้บังคับบัญชาต้องวางตัวให้ดีเป็นที่ยอมรับนับถือศรัทธาแล้วเขาก็พร้อมที่จะฟังแล้วพร้อมจะเชื่ออ๋อครับทีนี้ถ้าเขาไม่ยอมรับเขาไม่นับถือเขาก็ไม่ศรัทธาเขาก็ไม่พร้อมที่จะฟังแล้วเขาก็ไม่เชื่อครับนะคือคือเนี้ให้ยอมรับนับถือศรัทธาได้ส่วนนิสัยของเขาถ้าเป็นเรื่องของเขาโดยเฉพาะ มันก็แกยากนะฮะคือบางบางทีแม้แต่ภาษาที่บุตรยังเจอเจอปัญหาเหล่านี้ต้องให้พระพุทธเจ้าช่วยช่วยแก้เลยแต่ว่าให้ตรวจสอบดูตัวเองดีกว่าเพราะการที่ลูกน้องไม่ศรัทธาต่อผู้บังคับบัญชาเนี่ยเรามีปัญหาอะไรหรือเปล่าก็ ในหนังสือท่านธรำท่านบอกว่าพูดไปเขาไม่รู้กระปู่เขาว่าโง่เง่างมเงื้อเส้นักหนาตัวของตัวทําไมไม่โกรธทารว่าพูดจาให้เขาไม่เข้าใจใช่ไหมควับมาตรวจสอบดูตัวเองบ้างนะครับตรวจสอบดูตัวเองบ้างมาทําไมล่ะทําไมกับดูกับคนอื่นเขาเขาเคารพก็ศรัทธาไับถ้าว่าเขาเป็นอย่างนั้นทุกคนก็แสดงว่าเป็นนิสัยของเขาครับซึ่งก็ยากหน่อยครับแต่ว่า เราก็ต้องยอมรับสภาพภาวะว่าเข้าได้แค่นี้คนคนนี้แล้วเราก็หาประโยชน์จากจากจุดที่เขามีอยู่ให้ได้ ครับผมขอบคุณทีจ่าคบสายแน่นมากเลยครับสายที่สิบสอครับผมสวัสดีครับครับวันนี้ขอฉายเรื่องไอทีวีอีกครั้งหนึ่งนะครับผมตัวอย่างนีครับครับผมนายกรัฐมนตรีไปรับปากรับมั่นหมายว่านะครว่าจะช่วยพนักงานไอทีนะครัอทีวนี้เป็นเอกชนนะครับครับผมเอไปบริษัทไหนที่เขาล้มละลายลงไปเนี่ยนายกรับมิดชอบนะครับเพราะว่าอันนี้เขาคัดการกันกันทั่วไปนะครับครับผมอภิการที่หนึ่งะฮะครับผมที่สองที่ท่านเจ้าคุณได้เคยพูดว่าเมื่อวันที่เก้าเนี่ยฮะมีบุคคลในนเเรื่องแบบไปดดิตามวั ท่านต้องรับโทรสัพว์ตีสองตีสามนะครับเรื่องไปถึงไหนครับครับผมฮะเอเกี่ยวกับพุทธศาสนาหรือเกี่ยวกับไอ้กลมการศาสนาน่าจะเป็นเอ้าภาพนะเรื่องนี้นะครับครับผมขอบคุณมากครับครับผมก็เป็นเป็นเรื่องที่เขาเข้าเล่าให้ฟังนะครับผมแต่วัดวรไม่เจอหรอกโปรินวัดสังกัลาชแต่ว่าที่อื่นก็เจอกันนะฮะเขาก็เล่าให้ฟังก็โทรมาบอกกันอะไรแต่ไรเนี่ยครับอ้าวฟอนก็ปล่อยเขาไปเถอะครับ ก็ S <S คุครับเ้าคุณแจับสายต่อไปนะครับสายที่สิบสามารออยู่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมกราบนระมากษัริย์ในพระพัคุณเลยนะครับก็คือผมอยากจะสอบถามว่าคือก็มีฝ่งศาสตร์มิตรหลายลักทธิหนึ่มาชวนให้ไปเป็นในสมาชิกด้วยครับสมาชิกทีนี้ทีนี้ก็ไปสอบถามนะครเข้าไปก็จาะักไซส์ไร่เลือนสอบถาม คิดเป็นเลยวัวหน้าเขาอย่างนี้ครับครับทีนี้พอถามไปถามาเมื่อตอบคาถามไม่ได้ฮะมักจะโกรธแสดงอาการโกรธครับแล้วมันเป็นแบบนี้ทุกคนนะครับที่เวลาถูกทอดมากๆเขานะครับครับกจะถามว่าทําไมทุกคนอย่างนั้นครับหลวงพ่อครับครับผมขอบคุณมากครับคือคือเขาเป็นอย่างนั้นแหละคือปกติเนี่ยเขาเขามีความเชื่อมั่นในระบบคการสอนของเขา แล้วก็คิดว่าคนอื่นควรจะเชื่ออย่างเขานะถ้าไม่เชื่ออย่างเขาเขาจะเกิดโทสะครับก็แสดงให้เห็นเขาก็ฟ้องกันอยู่ในตัวนะฮะนักการศาสนาแล้วเป็นคนขี้โกรธถึงจงมาขัดแย้งกันดูครับนักการศาสนาต้องเมตตาต่อคนอื่นครับจึงจะสามารถเป็นนักการศาสนาที่ดีได้ครับเพราะว่าผู้ศาสนาเ น, นี่ยเราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าทรงสมบูรณ์ในปัญญาบริสุทธิ์กรุณาครับ อย่างน้อยพวกเราเนี่ยโปนักเผยแผ่ก็ต้องมีปัญญามีความบริสุทธิ์ใจพอสมควรมีเมตตากรุณาต่อบุคคลอื่นพอสมควรครับมันไม่ใช่โกรธง่ายขนาดนั้นนะพูดอะไร <c oughs> เพื่อนไม่เชื่อก็ไม่เชื่อก็ไม่เชื่อก็ไม่เชื่อตี <c oughs> แต่ว่าเขาเขาก็ปกติคขนิศสัยก็เป็นอย่างนั้นนะคืออย่าลืมว่าพวกนี้เขาปักใจฝังใจว่าเขาเท่านั้นคือผู้ถูกต้อง <c oughs> คนอื่นไม่ถูกต้องครับาะคนต้องเชื่ออย่างที่เขาเชื่อ <c oughs> <c oughs> าศาสนาบางาศาสนาจริงแรงนงฮะจริงฆ่าคนเพื่อให้เชื่ออย่างที่เขาเชื่อเพรพะเขาไม่เชื่อเลยฆ่าเลยครับเกิดสงครามาศาสนาอะไรแต่ต่างๆในโลกมันเป็นอย่างนี้นะคุณจะมีพระเดชพระคุณหลายองค์โทรมาถามบอกว่าอยากจะเผยแผ่าศาสนาเจงปหมืทคุอาจารย์บางทีน้ไปอบรมมาแล้วไงแล้วก็ยังไม่เห็นเจงจี่อาจารย์มีหลักการพอเป็นแนวทางไหมครับว่าจะต้องเริ่มต้นยังไงบ้างครับที่อาจารยครับคือคือมันมัน ปัญหาว่าอ่านธรรมะเนี่ย ม, มันมันต้องเข้าใจอ่ะต้องพยายามถามตัวเองมาเข้าใจไหมถ้าตอบมาเข้าใจถามมาเข้าใจว่ายังไงแล้วถ้าอธิบายคนอือ่นจะอธิบายว่ายังไงแล้วถ้าคนมันเปลี่ยนอ่ะคุณจะอธิบายข้อ น, นี้ว่ายังไงมันต้อง ค, ค, คิดไปเรื่อยนะธรรมะต้องเอามาคิดไปเรื่อยๆแลว้วก็นึกตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมใกล้ตัวให้ได้ครับแต่สามารถที่จะมองอะไรก็ไม่รว้เป็นธรรมะคือคือ คือสรุปประการสอบสมัยโบราณเนี่ยหมอชีวกโกบาลพัฒแกถูกทดสอบให้ไปหาต้นไม้ที่ใช้เป็นสมุนไพรไม่ได้ใช้เป็นสมุนไพรไม่ได้ครับผมใบคนละชิ้วัลทิ้วัลทชิ้นปรากฏว่าคนอื่นเอามาเป็นรสๆเลยหมอชีวกไม่ได้ละชิ้น <laughs> ที่ทำเป็นยาไม่ได้ <laughs> ใช่ครับ <laughs> ผมหมอชีวกผมไม่มีอ <laughs> ไม่มี <laughs> ที่ใช้ทําป็นยาไม่ได้เพราะงั้นมองทุกอย่างให้เป็นธรรมะให้ได้ครับผม ต, ต้องพยายามอ่านพยายามคิดพยายามค้นพยายามตีความคือว่าอย่าลืมว่าธรรมะเนี่ยเขาจะสอนโดยปริยายหนึ่งในกรณีของผู้ฟังในขณะนั้นมันเหมาะสมในขณะนั้นครับเช่นยกตัวอย่างว่าพระพุทธเจ้าทรงอุปมาว่าบาปติดตามบุคคลไปเหมือนล้อกเกวียนติดตามรอยเท้าโคไปเนี่ยเราต้องนึกว่ามั่นควรอะไรจะติดตามถ้าเราอเอาล้อเกวียนมาติดตามรอยเท้าโคกันเด็กสมัยนี้เราพูดได้เดือ เด็กมันเคยเห็นเกวียนหรือเปล่าไม่เคยเห็นนะมนอธิบายไม่ได้เราก็ต้องคิดใหม่ครับลองคิดเราเหมือนกันนักเรียนไม่เข้าใจเรื่องอะไรสักเรื่องหนึ่งเนี่ยครับแล้วเมื่อนักเรียนเจอปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องนี้นักเรียนจะเดือดร้อนทุดเสีย<อ>จะตอบไม่ได้สี่แตงเกสนะฮะคือมันมันมันันก็คือการเนะี่ยเหมือนกับบาปที่ตามคนไปอืะอ่าผ่านตามผมมาจัดครับแล้วมีเป็นหลายๆท่านโทรมาถามผมว่าฟังทางสถานีโททัศน์ครับ เห็นพระองค์หนึ่งที่ออกมาเผยแพร่ศาสนาแต่มุกตลกเยอะเหลือเกินมีทุกชอตทุกมุมเลยแล้วเหมือนกับบรรทอลโชว์เนี่ยนี่คุณจะครับในทางการเผยแพศาสนาจริงๆแล้วเนี่ยจำเป็นเลยครับต้องต้องตลกตลอดเลยคือผู้ใหญ่ควรจะปรามนะครับผมมาก็ไปสุพรรณวันนี้ก็กลับมาก็เห็นโปเตอร์ขึ้นทั้งพี่ทั้งน้องเลยครับ นะเป็นเทพคู่มีงานตรงนั้นตรงนี้คือแถวตรงเนี้เขาชอบชอบชอบอย่างนั้นนะฮะครับผมชอบผู้ตลกบุคหาทั้งหลายพระที่ชอบแแปลชอบอะไรแต่ละอย่างก็ <ฮะ S 2> อชอบไปอย่างนั้นก็ไม่รู้จะวางไงแต่ที่จรงิงที่จรงิงผู้ปกครองควรจะตักเตือนครับเพราะว่ามันที่จริงก็คือเพราะเจอครับทุนใจครับนะคือคือคือผู้เป็นเป็นวจีทธธุจริต คือการเผยแผ่ธรรมะหลักการสําคัญนี่รุษเจ้าทรงสแสดงหนึ่งสแสดงธรรมไปโดยลําดับไม่ตัดรัดได้ขาดความอ้างเหตุผลชี้แจงแนะนํำไปผู้ฟังเข้าใจตั้งจิตปราถนาที่จะเกิด ป, ประโยชน์แก่ผู้ฟัง<ช>ไม่สแสดงธรรมพระเห็นแก่ลาบไม่สแสดงธรรมกระทบตนและคนอื่นครั่นคือหลักการครับเพราะนั้นพระต้องยึด ย, ยืนยืนอยู่บนหลักการตรงนี้ครับทีนี้มันมันเท่แต่านี้มันที่อาหาจะต่าง เทศฐานสตางเทศสนุกสนานเอามาไม่ไม่ไม่ไม่ชื่นชมกับพระพวกนี้ครับแล้วก็ไม่เคยสมาคมด้วยครับก็เคยอยู่ต่างจังหวัดเวลาไปเทศคู่ก็เจอกับพระคขเล่นตลกเป็ดแบบเนี้ยเขาก็ก็จะบอกโยมนะตอนนี้ท่านมหาไม่เกี่ยวนะอาตมาองค์เดียวนะเขาเคยมาบอกว่าผมไม่ชอบนะครับรมะเดี๋ยวผมถือว่าต้องพูดธรรมะแต่นาเริงพูดเรื่องอื่นผมก็ไมครับ แล้วก็ถือมาห้าส <r> um. okay. so ิบกว่าปีแล้วใช่นะครับก็จะสังเกตเห็นว่าทางสถาบันการศึกษาสูงๆหรือว่าสถาบันของปปออะไรนี้ก็จะไม่เชินทระแตในลักษณะที่แบบว่ามีการตลกไปนะครับทุกท่านครับส่วนใหญ่ก็จะแบบว่ามีอย่างเช่นอาจารย์นะครับจะได้รับนิมนต์ไปบ่อยนะครับสายที่สิบสี่ครับมารออยู่ครับท่านทษดครับที่รอนานครับสวัสดีครับค่ะนางัชการจน์ศรีก่อนครับครับเอ่อรบกวนขอดังๆอีกนิดนึงนะครับ ถ้าคือจะกราบเรียนถามพระคุณเจ้าว่าคือว่าเ อ, อ่อ อโยมเนี่ยก็อันเชิญพระบรมไสยาติเพื่อนให้มาก็ก็เอามาสามองค์นะคะครับผมก็มาบูชาที่บ้านตั้งนานก็เป็นเวลาก็เลื่อนสิบปีแล้วมั้งแล้วลก็ก็เวลาทํคาครั้งะอาบที่แท้เนี่ยก็จะเปิดดูทุกทีก็จะมีสามองค์สามองค์ทุกครั้งค่ะที่พมาวันนี้เนี่ยก็ทําความเธออาบเสร็จ ก็เปิดดูประดุท่านเสด็จมาเต้นพระอบเลยค่ะแล้วก็โยมจะปฏิบัติตรงยังไงดีเจคะครับผมก็เป็นบุญนะโยมมาฟังทางวิชยุทนะครับไค่ะขอบพระคุณมากครับคือบางบ้านเนี่ยมาเป็นแสนเลยนะโยมโอ้ครับผมมาเป็นแสนเลยครับคือคือพระองค์สายิกธาตุเนี่ยเป็นเป็นความอัศจรรย์ที่เราหาคําตอบไม่ได้ครับคือเป็นสิ่งไม่มีชีวิตแต่ไปไหนมาไหนได้ แล้วก็ที่สําคัญหนึ่งยิ่งคือพระอบที่มันปิดฝาอยู่ท่านข้าไปได้ยังไงทั้งเต็มเลยเต็มพระอบเลยคือข้าไปได้แลยเวลาท่านจะไปไหนท่านก็ไปหายไปหมดเลยสก็เป็นเป็นเรื่องแปลกแต่ว่าเราก็หาคําตอบไม่ได้ตอนนี้ก็คือพระบรมสารีการธาตุกันแล้วกันพรก็เป็นบุญนะโยมคือคือคือเสด็จมาได้ขนาดนี้ก็เป็นบุญละเป็นแสดงว่าโยมเริ่มจะมีอผลดีจากการสวดมนต์การสาธยายมน ฟอนก็มีโยมคนหนึ่งนี่ก็เรียกว่าเป็นหมื่นๆน่ะครับของเจ้าคุณสมเด็จ ก, ก็เยอะจะเด็ดเยอะคร<ห>ับจะเด็ดเยอะครับผมคุณเข้าคุณอย่างมากครับสายที่สิบห้าครับสวัสดีครับขอถามสามข้หนึ่งครับผมอยากค้ น, นคคาาห น, น, น, นึน่งนะครับครับผมอยากท้ารักษาศีชาติยยานแล้วบลบกวนดังๆนิดหนึ่งนะครับสายค่อยมากครับครับครับเออรักษาสีชาติยยานละ ก็จะจะมีโอกาสได้มาเกิดเป็นมนุษย์ไมครับครับผมของครับผมคุณค่าของคนที่อยู่ที่ไหนครับครับผมข้อที่สามครับอย่างชาติก่อนนี้เราทำกรรมมาชาตินี้เราต้องรับผลกรรมอากทราบว่ากรรมมันข้ามภพข้ามชาติมาได้อย่างไรครับผมรับฟังครับยุ้นะครับครับครับครับผมสินห้าหย่อนยานจะเกิดเป็นมนุษย์ครับคือคือไม่ทราบไปหย่อนยานขนาดไหนนะครับผม โยนยานย้ายถึงก็ฆ่าคนย้ายถึงก็ปร่นฆ่าย้ายถึงก็ข่มขืนทำเรานะย้ายถึงก็โกหกจนทำลายคนนะฮะอย่าให้ตกเป็นธาตเสพสิ่งเสพติดแรงก็คงไม่แรงเท่าไหร่ครับคือคือไม่รู้จะโยนยานขนาดไหนอ้าวฟอนข้อที่สองคุณค่าของคนอยู่ที่ไหนคุณค่าของคนก็อยู่ที่เอความสามารถเอาชนะใจตัวเองได้นะฮะเอาชนะใจตัวเองได้ชนะกิเลสได้ครับ ค่าของคนอยู่ที่ผลของงานซึ่งเกิดขึ้นจากสุดจริตทั้งหลายเนี่ยนะ เพราะว่าเราจะตายไปแล้วผลงานเหล่านี้ก็ยังปรากฏอยู่อครับแล้วก็ไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นเจตนาที่เกิดขึ้นในการการะทํามันก็ตามเราเป็นหน่วยผล ค, คือบุญบาปเนี่ยมันจะตามเราข้ามภพข้ามชาติเหมือนเงาที่ตามเราไปอยู่ทุกคนทุกแห่งนะฮะแต่เราอยู่ในที่มืดเราก็ไม่เห็นเงาแต่พอเราอยู่ออกที่สว่างมันก็เจอเงาทุกทีแหละเงามันก็อยู่กตั้งเราทั้งมืดทั้งสว่างนั่นแหละ <laughs> มันก็คิดดูว่าเหมือนกับที่เราเราเรียนอะไรเราเห็นอะไรตั้งแต่เด็กๆแล้วมันก็ตามเราไปจนเฒ่าจนแก่แนะอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยเพียงแต่เยียดเวลายาวออกไปบุญจะตามเราอยู่ข้างหลังข้างหลังพระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าบุญเนี่ยจะตามไปข้างหลังข้างหลังในชาติปัจจุบันเนี่ยเรามีบาปบุญอยู่สามระดับครับบุญบาประดับชาติก่อนๆโน้นไกลโพ้นเลย แล้วก็ชาติก่อนแล้วก็ชาติปัจจุบันครับตอนนั้นาการตามมาให้ผลถือว่าให้ผลหมดหรือไม่ในเราไม่รู้หรอกแต่ว่าตามมาให้ผลแน่นอนชีวิตเราส่วนหนึ่งจึงขึ้นอยู่กับอดีตกรรมรส่วนหนึ่งจึงขึ้นอยู่กับปัจจุบันกรรมแต่ว่าปัจจุบันกรรมจะเป็นตัวกาหนดที่มีความสาคัญอดีตกรรมเราไม่รู้หรอก บุญมาวาสนาส่งบุญมาวาสนาช่วยก็ดีไปนะแต่ถ้ า, ากว่าเราทำความดีไว้ในปัจจุบันเนี่ยมันก็เป็นภูมิคุ้มครองจิตใจของเรารักษาชีวิตของเราเอาไว้ให้อยู่ด้วยความดีทั้งหลาย บ, นะบาปไม่แรงมันก็ตามมาให้ผลไม่ได้นะเพราะรรภูมิของบุญกุศลคุ้มครองเอาไว้ โอยอย่างนั้นน้อยก็พักพักขยะเวลาให้หมดไว้สักช่วงหนึ่งนะครับครับมีสายจากพระคุณเจ้าสายสองนะครับโทรมาบอกว่าเจ้าคุณอาจารย์จะบรรยายในช่วงวันมาคบบูชาที่ไหนเวลาใดบ้างจะติดตามรับฟังครับคจคอาจารย์ครับมีไหมครัก็ <c oughs> ที่จริงบรรยายนี่ที่ที่เขาติดต่อนิบนไว้ก็ที่โน้นนะะที่วัดพระรามเก้าพระรามเก้าตอนบ่าย วันที่เาไหร่จะจูนจันครับเอวันนั้นนะฮะวันวันวันวันวันที่สามวันที่สามวันที่สามครับก็วันที่สามวันมาค้านะครับจี่คุณจันจะไปบรรยายธรรมที่วัดธารามเก้านะครับช่วงบ่ายๆจะไมคุณจันครับก็ก็คงคงหัวข้ามเหมืนะันก็ยังไม่บอกเวลามาอ่ะเขาบอกกก็บอว่าจะมีหนังสือมาครับผมคือตามปกติวันวันมาคะบูชาเนี่ยที่วัดบวรเนี่ยเขาจะถ้าวันมาค้าแล้วพระรุ่นหนุ่มกิจเทพ แล้วพระผู้ใหญ่จะไปเทศวันวิสาขะอ๋อครับก็จะเปลี่ยนกันครับผมขอบคุณครับสายที่สิบหกมารออยู่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับศาสตาจารย์พระดุลยพ่ท่านก็คุณด้วยครับค่านอจะสอบถามปัญหานะควฮะคืออย่างนี้ครับตั้งแต่ได้เรีย็นหนังสือมาก็รับรู้รับทราบว่าเจอหนังสือที่เราเขียนลงในกระดานด้านหรือในท่ามาเขียนจดหมายก็ กขึ้นมาโดยพ ก, ก, กรากันแหงมหาราชรันนี้ก็อยากจะสอบถามว่าใครไปกำหนดให้ตัวอักษรที่มีชื่อมันหน้าขึ้นเป็นอักษรเนี่ยเป็นตัวการกินีต้องใส่ <c oughs> ตัวนี้แทนผมไปถาม <c oughs> ซินแสที่เป็นหมอดวที่เขาและบ่อยนี้เขาก็ตอบไม่ได้ก็ไปถามอาจารย์ของซินแสอีกท่านก็อ้างตำราอวอย่างนี้ <c oughs> ก็ไม่มี้่จะเอาเชื่อใคร น, นะครั บ, บ, ค, รบครับผมครับสวัสดีครับมัดีครับมันไม่มีหรกอกโยมกูว่ากันเองมันสร้างเป็นอุปาทานหมู่ขึ้นไงครับอุปาทานหมู่อักษรกาลากินีไม่มีหรอกกาลกินีมันเกิดขึ้นจากการกระทําชั่วครัอย่างอยู่น้อยเป็นกาลากินีหรอกแต่ว่าทีนี้เมื่อเราเป็นอุปาทานอย่างนั้นแล้วเนี่ยนะถ้าเรายอมรับเงื่อนไขตรงนี้ถ้าเราไม่ทําตามนั้นเราจะรู้สึกไม่สบายใจครับตอนนี้แหละ เอาประมงกฏมาเกิดตอนนี้เองคือคื อ, ค, อคือเช่นเช่นบอกว่าเออนี่เลิกเลกไม่ดีนะทําไมศึกมาอย่างนี้เลกไม่ดีนะคนนั้นก็บอกว่าเลกไม่ดีคนนี้บอกว่าเลกไม่ดีคนนี้บอกว่าเลกไม่ดีลเลยใจเสียเลยใจเสียเลยแล้วไม่สบายใจก็เลยก็เครียดอันเนี้ยก็ก็ที่จริงมันเป็นอุปาทานเป็นอุปาทานเป็นลักษณะของทิศถุปาทานกับศีลพัทุปาทานคือถือบั่นตามรูปแบบที่สร้างสมกันมา เป็นอุปทานหมู่นะฮะจะสร้างขึ้นในกลุ่มเกลือมาเนี่ยมาถึงวัดวรก็มีผู้ใหญ่ก็แนะนําให้เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อท่านบอกว่ามันมีตัวเขาเรียกว่าอะไรนะอาปะมงคลอะไรท่านท่านว่าอะไรมาบอกโอ้มั น, ม, น, ม, นมันไม่ได้อยู่ที่ผมไม่อยู่ที่ชื่อผ ม, ผมอยู่ที่การกระทำของผมแต่ไงแต่คนทําให้ดีมันก็ไ ป, ประปะมงคลแล้ว <c oughs> ทำทำ่านดีชื่ อ, อยังไงก็ช่างมือนเนี่ย <c oughs> ก่อนเราก็ใช่วันก่อนลูกศิษย์เข้ามาอายุก็ห้าสิบอ่ะก็เปลี่ยนชื่อสิบปีครั้งสิปีเดียวนะมาบอกใหม่มาแนะนําตัวเองใหม่ว่าก็เปลี่ยนชื่ออีกแล้วเปลี่ยนชื่อแล้วถามว่ากี่กี่ชื่อน่ะไปน่ะมาปรากฏว่าอายุก็ห้าสิบปีเนี่ยเขาเปลี่ยนมาห้าชื่อพอดีคือสิบปีแต่ชื่อครับผมสาธขอบคุณที่ติดต่อสายที่สิบเจ็ดมาเราอยู่ครับสวัสดีครับ สวัสดีครับครับผมการเนินรายกานะครับครับสวัสดีครับคุณเล่ยครับครับแล้วขอกราบนมาตรการกับพระอาจารย์ท่านจุกบุญด้วยนะครับผมก็ถามปัญหาข้องนะครับครับผมสมัยหลายปีแล้วแหละหลังมาหลายปีมาแล้วดีฝรั่งมาขายไอ้หนังสือเกี่ยวกับคําสอนของที่ศาสนานะครับครับผมเขาบอกกับผมว่าเขาคิดราคาสองบาทครับเขาบอกแล้วก็บอกว่าของเขาไม่ใช่ศาสนานะ เขาว่าอย่างนั้นครับคราวนี้ก็ของเราก็มีกรมศาสนาของชาติไทยกันเนี่ยนะครับครับผมและก็เลยก็ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรเขาบอกของเขาไม่ใช่ศาสนาแล้วก็กรมการศาสนาของประเทศไทยเนี่ยจะรับเขาเข้ามาดูแลเยี่ยงศาสนาหรือไม่ก็ผมก็กลับรัฐการถามท่านอาจารย์เจ้าคุณแล้วขอฟังทุกทุอย่นะครับครับผมก็คุณคนแรกครับผมกลับนรการและสวัสดีท่านผู้ดำเนินรายการอาจารย์นะครับครับสวัสดีครับ ไม่ใช่เป็นคำพูดของคนคนเดียว <c oughs> แล้วก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นปปกมาโอนนะฮะ <c oughs> หรือสิทธิชนยุคสุดท้าย <c oughs> คือ <c oughs> คือว่าศาสนาคริสต์ก็เป็นศาสนานะ <c oughs> เป็นเป็นสองนิกายใหญ่คือโรมันคาทอลิกกับโปรเตสแตนต์างราชการก็ยอมรับศาสนาในประเทศไทย <c oughs> ทั้งหมดก็นอกจากพุทธก็มีอยู่อีกสี่ศาสนาหรือสลามคือคริสต์คือพรามินดูแลค้คือซิก เขาก็เป็นศาสนานะครับครับขอบคุณครับขอบคุณักูน2 4สองสองหนึ่งสามสาหนึ่งห้าะครับทุกคจครับเอ่อเช้งชัยนะครับตอนช่วงหลังๆอยากให้ทุกิจารย์เอ่อแจ้งถึงความคืบหน้าในการสร้างสุรเสสรศาสนาให้แกนรายการทราบหนครับเอ่อคือตอนนี้ก็ผลเอกเสดีท่านส่งกระดาษไขไปครับ ก็กำลังส่งไปถ่ายแล้วก็ปรากฏว่าไอ้แปลงไฟฟ้าอะไรต่อไรก็เพิ่งได้ไปวันก่อนเนี่ยแล้วมาก็อ่านไม่ออก <c oughs> ก็เพิ่งเรียกไอ้สถาบันนี้ให้มาอ่านให้ดูวันนี้เขาก็เอาไปจัด ก, การถ่ายให้ครับก็รอถ่ายเสร็จแล้วก็ติดต่อประสานเรื่องเรื่อ ง, องช่างก็คิดว่าจะขอให้พลเอกสรีหาเองนะฮะช่างเนี่ยทีนี้ปัญหาเรื่อ ง, องค่ <c oughs> า ก, าก่อสร้างเนี่ยจะกลายเป็นเป็นปัญหาใหญ่ครับ ก่อนว่าพอพร้อมแล้วก็จะไปพบผู้ใหญ่ครับไปพบกับเจ้าคุณสมเด็จวัดปากน้ําเพื่อแจ้งให้ท่านทราบท่านท่านขอชะลอไว้ก่อนครับแล้วก็ยังยังคิดจะจะประชุมกรรมการนะฮะต้องต้องต้องหาทางว่าจะเอาสตาลจากไหนมาสร้างเพราะว่าแบบแปลนฝังก็สวยน่าสง่ามากเลยสวยมากเลยครับถ้าได้ถ้าได้หลังหลังนั้นสักหลังก็ทํางานอะไรไปได้นาน แต่ว่าก็ก็หวังหวังว่าญาติโยมที่ทราบข่าวในคงจะให้การสนับสนุนครับแต่ว่าจริงๆตอนนี้อยากรู้รายละเอียดว่าไอ้ส่วนต่างๆเนี่ยราคาเท่าไรก่อนอ๋อครับนะ ค, บคือเพือ่อจะบอกให้ชัดเจนนะโยมใชรับเป็นชิ้นเป็นเป็นส่วนทวนๆไปนะได้ครับถ้าญาติโยมอยากจะรับเป็นส่วนๆใช่<ะ>ครับผ็ก็ก็ก็ช่วยประสานผลอีกเสรีหน่อยเลยกันได้ครับ ก็ น, นึกว่าให้ให้ให้ใหทางม า, าวัชลัยศรีปฐุมาหาช่างให้เพราะว่าช่างที่ขุดสร้างอยู่ที่นั่นก็รูรูมือกันอยู่เอา ม, ามันไม่ไม่คุ้นในเรื่องเรื่องเร่างนี้ครับผมแล้วก็คุณจึงจะจ่ายครั บ, รบสายสุดท้ายนะครับมารออยู่ครับสวัสดีครับรายการครับ หลังการพ่อเดชพคุณลงท่อผมมีโอากาสได้ฟังมิสลิมจัดรายการที่สวนมิศกวันเย็นวันเนี้ยร์ครับครับบอกว่าอยากให้ระเบิดระเบิดปงเทียตัวนั้นจะได้ร่งมันทำงั้นเหมาะหรือเปล่าครับเนี่ยครับผมด้วยได้ครับได้ครับเราฝากท่านไปยุ้นะครับครับผม <c oughs> พูดแรงไปหน่อยคือคือคือบางทีเขาก็ค่อนข้างขางนองอะนะฮะคือคือพูดอะไรไม่ค่อยเกรงใจคน พูดอย่างนั้นมาไม่ได้หรอกแต่ว่าเราก็ไ ป, ไปเรียกไว้ใช้กับ่มุสลิมมัคง ไ, ไม่ได้ไไดคนคนหนึ่งนะฮะที่นับถือาศาสนาหนี้ก็พูดคือคำว่ามุสลิมมันหมายถึงาศาสนาไปครับนะคนหนึ่งก็ใช่กับบาคนคนห น, นึง่งก็คือคือบางทีเขาก็พูดแรงนะฮะพูดแรงเช่นพูดถึงการระเบิดพูดถึงการฆ่าอะไรเนี่ยนะเช่นว่าถ่านายกไปขอโทษบอกขอโทษก็ขอโทษไปฆ่าก็ฆ่ากันไป ก็ไม่น่าพูดนะแต่เขาก็เป็นเรื่องของปฏิกริชน่ะคือเราห้ามขายากครับชครับทุกท่าครับเหลืออีกสักหนึ่งอาทีสุดท้ายนะครับมีเด็กๆหลายหลายคนฟังรายการนี้นะครับอยากจะทราบทุกทจา์หน่อยนะครับว่า ทำความดียังไงครับถึงว่าอยากจะทดแทนพระคุณพ่อแม่นะครับเบื้องต้นเลยเนี่ยเราเป็นเด็กๆเนี่ยควรจะทํามีเกิดไฟก็สามคือทํายังไงว่าเด็กๆ็กเนี่ยเรียนดีประพฤติดีอย่าดื้อก็เยอะแล้วนะครับเอาได้สามอย่างเถอะเรียนดีประพฤติดีอย่าดื้อก็พอแล้วครับนะถ้าหากว่าเด็กสามารถปฏิบัติได้ก็ยอดคนแล้วแล้วก็ปฏิบัติได้อย่างนี้ตลอดไปอ่นะฮะเรียนดีประพฤติดีก็ไม่ดื้อในตลอดไปครับเรียนดีนั้นก็อาจจะ ตอนทำงานไปแล้วก็ไม่ต้องก็ได้แต่ว่าไม่ดื้อนี่ต้องต้องมีอยู่ตลอดไปครับแล้วกับประพฤติดีนี่ต้องมีอยู่ตลอดไปมันเป็นตัวค่าของชีวิตของมนุษย์เราครับนะมนุษย์ที่ประพฤติดีนะคือค่าแท้ส่วนความรู้นั้นก็ไม่แน่ว่าเราจะเป็นคนดีครับแต่ว่าความประพฤตินั้นแน่นอนว่าเราเป็นคนดีแล้วก็เป็นบุญด้วยครับ แต่ความรู้นั้นไม่แน่นะอาจจะใช้ตำบาปก็ได้ขอบคุณชอบราชัดเจนมากเลยครับเพรดีคุณครูหลายท่านนะครับฟังรายการนี้แล้วอยากจะเปิดให้เด็กๆฟังนะครับก็เชิญเลยนะครับสําหรับรายการเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยสิบปทุวันนี้นะครับขอกลับราท่านผู้รับฟังทุกท่านไปก่อนนะครับขอกลับขออภัยหลายสายนะครับที่โทรมาไม่ติดนะครับขอความเจริญธรรมมีเด่ท่านผู้รับฟังรายการทุกท่านครับขอกลับสวัสดีครับ